26. สัมมาสมาธิวงเล็บเปิด1มีนาคม2552ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดจิตเลือกไม่ได้ว่าจะรู้จะเห็นอะไรสติมันไปรู้เองสติเป็นอนัตตาเพราะถ้าปฏิบัติถูกต้องจะไม่มีคําว่าผมปฏิบัติสายกายดิฉันปฏิบัติสายจิตไม่มีถ้าใครยังคิดว่ามีสายกายสายจิตก็เรียกว่ายังทําวิปัสสนาไม่เป็นนี่ใช้คําร้ายแรงว่าทําไม่เป็น ก็ไม่เป็นจริงๆนั่นแหละถ้าเป็นจริงๆจิตมันทำของมันเองเดี๋ยวก็สติระลึกรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมแล้วแต่มันจะระลึกเราเลือกไม่ได้สติระลึกไปเรื่อยๆแล้วทำอย่างไรจะเกิดปัญญาเห็นแจ้งสติระลึกอย่างเดียวยังไม่พอยังไม่มีปัญญาเห็นแจ้งต้องมีจิตที่ตั้งมัน่นมีสัมมาสมาธิด้วยถ้าขาดสัมมาสมาธิก็คือขาดความตั้งมัน่นในขณะที่สติระลึกรู้รูป ร, ร, รู้นาม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 คนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นอยู่ๆก็โมเมบอกว่าไม่ต้องไปเรียนเรื่องสัมมาสมาธิหรอกเพราะสมาธิเกิดร่วมกันกับจิตทุกดวงไอ้นั่นมันมิจฉาสมาธิยากเหลือเกินที่สัมมาสมาธิจะเกิดถ้าไม่เรียนให้ดีจะต้องค่อยๆเรียนวิธีเรียนมีสองอย่างอันหนึ่งทําชานไปยกตัวอย่างเรารู้ลมหายใจทีแรกลมหายใจนี่เรียกว่าในเครื่องหมายคําพูดบริกรรมนิมิตรู้ตัวลมหายใจเห็นลม ลมกระทบดูเล่นๆดูแบบใจเป็นคนดูอย่าให้จิตไหลเข้าไปอยู่ที่ลมจิตไหลไปอยู่ที่ลมจะเป็นการเพ่งลมฌานไม่เกิดหรอกให้รู้มันให้รู้ลมเห็นร่างกายบันหายใจเห็นมันหายใจอย่างนี้ดูอย่างสบายๆดูอย่างผ่อนคลายถ้าไปเพ่งแล้วจะไม่ผ่อนคลายถ้าจิตไม่ผ่อนคลายจิตจะไม่มีความสุขถ้าจิตไม่มีความสุขสมาธิจะไม่เกิดจาไว้นะมันมีกระบวนการของมัน มีเหตุมีผลมีต้นมีปลายทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเรารู้เราเห็นร่างกายหายใจก็รู้เล่นๆไปดูไปเรื่อยๆจิตใจมีความสุขมีความสบายลมหายใจจะค่อยๆแปลสภาพไปเป็นแสงสว่างเราจะเห็นลมเป็นแสงเลยเป็นเส้นการที่เรารู้แสงสว่างอันนี้ตัวนี้ไม่ใช่บริกรรมนิมิตไม่ใช่ลมตัวเดิมแล้วตัวนี้เขาเรียกว่าในเครื่องหมายคาพูดอุค ห, หานิมิตเป็นอุค ห, หานิมิตขึ้นมา เราเห็นแสงสว่างแล้วใจเราสบายดูเล่นๆไปทีแรกมันจะยืดยาวเห็นเป็นแสงเป็นเกลียววิ่งแล้วมันจะรวมขึ้นมาเป็นดวงพอเราเห็นดวงนี้เรารู้อยู่ที่ดวงนี้มีสติรู้อย่างสบายๆดวงนี้สวยงามผ่องใสเหมือนแก้วเห็นแล้วมีความสุขตัวดวงสว่างนี่เรียกว่าในเครื่องหมายคำพูดปฏิภาคนิมิตเห็นไหมไม่ใช่ตัวลมแท้ๆ แ, แล้วกลายเป็นรู้นิมิตแล้ว ทำฌานไม่ใช่รู้ตัวลมนะทำฌานสุดท้ายไปรู้ตัวนิมิตมีนิมิตขึ้นมาแล้วก็รู้นิมิตไปนิมิตนี้สวยงามนิมิตนี้ย่อดได้ขยายได้เปลี่ยนแปลงได้ตามใจชอบเห็นแล้วมีความสุขเห็นแล้วมีความสุขจิตก็มีปิติขึ้นมาจิตนี้มันมีความสุขที่ได้รู้นิมิตนี้เพราะฉะนั้นจิตนี้มันจะเกาะอยู่กับนิมิตนี้โดยที่ไม่ได้เจตนาเรียกว่ามันมีในเครื่องหมายคําพูดวิตกคือมันตรึกถึงตัวนิมิตนี้ จิตนี้จะเคล้าเคลียอยู่กับตัวนิมิตนี้เรียกว่าในเครื่องหมายคําพูดวิจารณ์จิตจะมีในเครื่องหมายคําพูดปิตมิมีในเครื่องหมายคําพูดความสุขขึ้นมามีในเครื่องหมายคําพู ด, ขข เ, อพดเอกคขะตาขึ้นมาภาวนาต่อไปอีกจิตจะเห็นเลยว่าจิตที่ถลำไปเกาะอยู่กับนิมิตนี้ไม่ค่อยได้อะไรขึ้นมาก็สังเกตอีกนิมิตนี้เป็นของถูกรู้ถูกดู จิตมันถอนออกจากนิมิตมันละวิตกละวิจารณ์เสียมันเข้ามารู้อยู่ที่ตัวรู้ตัวรู้คือในเครื่องหมายคำพูดเอโกทิภาวะถึงผุดขึ้นในฌานที่สองเอโกทิภาวะคือตัวสัมมาสมาธิแท้นี่เองเกิดในฌานที่สองตัวนี้เป็นแค่ตัวรู้เป็นธรรมชาติรู้แล้วจะทำฌานสูงขึ้นไปก็ได้หรือจะอยู่แค่นี้ก็ได้พอออกจากตรงนี้แล้วอานาจของสมาธิที่เราทานี้ยังทรงอยู่อีกช่วงหนึ่ง จิตของคนซึ่งเดินมาถึงตรงนี้แล้วถอยออกมาแล้วจะมีตัวรู้อยู่อยู่ได้เป็นวันๆแต่ไม่เกินเจวันถ้าคนไหนเกินเจ็วันต้องรู้ไว้เลยว่าไปประคองตัวรู้ไว้แล้วผิดอีกแล้วเพราะฉะนั้นอยู่ไม่นานหรอกอยู่วันสองวันอะไรอย่างนี้วันสองวันเสื่อมไปเราก็ทำเอาใหม่อย่าอยากทำถ้าอยากให้ได้ดีอย่างเดิมมันจะไม่ได้ที่นี้ฝึกไปเรื่อยจนจิตชนานาญ มันรู้จักตัวรู้จนชำนาญต่อไปถึงไม่ทรงฌานอยู่นึกถึงมันก็มีอยู่แล้วนี่มันชำนาญแล้วมันคือสภาวะที่รู้นั่นเองทีนี้พอมีสภาวะที่รู้แล้วมาเดินปัญญาต่อเห็นกายมันทำงานทำไมต้องดูกายเพราะถ้าดูจิตมันจะนิ่งไปเลยเพราะว่าจิตมันทรงตัวอยู่เป็นตัวรู้ไปแล้วมันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอะไรแล้วถ้าอยู่ๆไปดูใส่ตัวจิต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 แยกรูปแยกนามไม่ได้อย่ามาพูดเรื่องวิปัสนาเพราะการเจริญปัญญานะยานตัวแรกเลยชื่อในเครื่องหมายคำพูดนามรูปปริเฉทญาณแยกรูปแยกนามออกมากายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นกายมันทำงานแต่ถ้าจิตมันเผลอพลายไปที่อื่นสติก็ระลึกได้อีกนี่รู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตไม่ใช่เพ่งอยู่แต่กายอย่างเดียวนี่สาหรับคนซึ่งทาสมาธิเต็มรูปแบบ อีกวิธีหนึ่งสําหรับคนซึ่งทําสมาธิเต็มรูปแบบไม่ได้คือให้มีสตินี่แหละรู้ความรู้สึกของเราไปอย่าไปดูกายให้ดูจิตเอาถ้าดูกายนี่พวกที่จิตไม่ตั้งมั่นไม่มีสัมมาสมาธิมันจะถล่มไปเพ่งกายอย่างที่ไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าก็ไปเพ่งเท้ากันดูท้องผ่องยุบก็ไปเพ่งท้องไปรู้ลมหายใจก็ไปเพ่งใส่ตัวลมไม่ได้เห็นตัวนิมิตอะไรหรอกแต่ว่าไปเพ่งใส่ตัวลม เพ่งตรงๆลงไปที่ตัวอารมณ์การเพ่งอารมณ์ตรงๆได้แค่สมาถะมีสมาธิก็ไม่ใช่สมาธิที่จะไปเดินปัญญาอะไรนิ่งๆทื่อๆไปอย่างนั้นเองสงบไปอย่างนั้นสงบแบบไม่ฉลาดเรียกสงบแบบโงๆ่ๆแต่ถ้าใจมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่มันสงบนะแต่สงบแบบฉลาดเพราะมันเดินปัญญาอยู่เห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจมันทํางานเพราะฉะนั้นคนไหนทําชาญไม่ได้ให้ดูจิตไปดูจิตไป เดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็ร้ายถ้าทําฌานได้จิตจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงจิตจะนิ่งลูกเดียวเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดูไตรลักษณ์ไม่มีแต่ถ้าไม่ได้ทําฌานไว้จิตจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรามีสติตามดูมันไปตรงนี้ถามว่ามีสมาธิไหมถ้าจิตไม่ไหลตามไปเช่นความโกรธเกิดขึ้นจิตเห็นความโกรธเกิดขึ้นสติระลึกรู้ความโกรธที่เกิดขึ้นแต่จิตไม่ไหลตาม ความโกรธเข้าไปจิตไม่หลงยินดีจิตไม่หลงยินร้ายขณะนั้นจิตมีสัมมาสมาธิแต่เป็นสัมมาสมาธิชนิดที่เรียกว่าในเครื่องหมายคําพูดคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะมีทีละขณะขณะพวกที่ชอบเข้าสมาธิจะดูถูกคณิกะสมาธิทั้งๆที่คณิกะสมาธินี่แหละเป็นสมาธิที่ใช้ทําวิปัสสนาได้ดีที่สุดเลยเพราะอะไรเพราะว่าสภาวะธรรมจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็รวดเร็ว ไม่ได้เป็นนิ่งค้างอยู่3วันสามคืนก็สงบอยู่อย่างนั้นแหละเสียเวลาเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกคณิกะสมาธินะคนบรรลุมรรคผลนิพพานส่วนมากก็มาด้วยคณิกะสมาธินี่แหละคนที่ทรงฌานแล้วบรรลุมีไม่มากเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนธรรมดาอย่างนี้ดูไปธรมธรมดาธรรมดาถึงเป็นพระอรหันต์ก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์ชนิดสุ ข, ขะวิปัสสกะมีเยอะส่วนพระอรหันต์ชนิดเตวิชะในวงเล็บ ได้วิชาสามชะพิญญาในวงเล็บได้อภิญญาหกปฏิสัมพิภทัปปั ต, ตะในวงเล็บได้ปฏิสัมพิธาสอะไรอย่างนี้มีน้อยยิ่งท่านที่ได้ปฏิสัมพิธามีน้อยท่านที่แตกฉานมีไม่มากเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็บรรลุ ก, กันด้วยธรรมดา น, นี่แหละใช้ของธรรมดา น, นี่แหละเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่มีของวิเศษอะไรเล่นหรอกเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกมันเราแค่มีสติเป็นขณะขณะขณะไป แล้วเวลาสติไปรู้อะไรเข้าใจอย่าถลำลงไปรู้ใจเป็นแค่คนดูอยู่สบายๆเช่นความโกรธเกิดขึ้นสติระลึกได้ว่าความโกรธเกิดขึ้นจิตอย่าถลำไปที่ความโกรธ ด, ดูห่างๆหัดทำตัวเป็นคนดูห่างๆเหมือนคนดูบอล น, นั่งดูบนอัถจันทร์อย่าไปอยู่ตรงกลางสนามเดี๋ยวเจอรองเท้า2 2คู่เจอเยอะแยะฉะนั้นดูห่างๆหรือเราดูละครก็ดูห่างๆ เห็นละครมันเล่นอยู่บนเวทีเราก็นั่งอยู่นอกเวทีแต่เดี๋ยวนี้คอนเสิร์ตรู้สึกว่ามันจะดูกันมั่วๆใช่ไหมมันกระโดดเข้าไปเล่นอะไรกันเต้นกันหยองแยงหยงอยงแหยงอย่างนั้นไม่เอาคนสมัยใหม่นี่นะกระทั่งการละเล่นก็ไม่ส่งเสริมสติเลยกระโดดเข้าไปคลุกวงในตลอดเพราะฉะนั้นดูห่างๆอะไรเกิดขึ้นก็ดูไปสบายๆดูเหมือนเห็นคนอื่นทํางานอยู่อย่างเราเห็นคนอื่นเดินใช่ไหมมันอยู่ห่างๆมันไม่ใช่เราหรอกมันอยู่ห่างๆ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 ไปเจาะนิ่งๆอยู่ที่ใดที่หนึ่งนี่ดวงตาเห็นรูปนะผิดได้สี่แบบหูได้ยินเสียงก็ผิดได้สี่แบบเหมือนกันหมดเลยนี่ไม่มีในตำรานะอันนี้เกิดจากการวิจัยของหลวงพ่อเองเราคอยรู้สึกไปอย่าให้ถลำเราคอยรู้สึกเราคอยดูไปเห็นกายทำงานเห็นจิตมันทำงานเราดูสบายๆดูอยู่ห่างๆอะไรก็ตามที่มันอยู่ห่างๆมันไม่ใช่ตัวเราทันทีเลยตัวเรามันต้องอยู่ติดกับเราเลยใช่ไหม ถ้าเราเห็นร่างกายเหเมือนเห็นคนอื่นกายนี้ก็ไม่ใช่เราแล้วถ้าเราเห็นความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นมาเหมือนเห็นคนอื่นเขาสุขคนอื่นเขาทุกข์นะความสุขความทุกข์นั้นก็ไม่ใช่เราแล้วถ้าเราเห็นกุศลและอกุศลทั้งหลายเช่นความโลภความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นมาเหมือนเห็นคนอื่นมันโลภโกรธหลงไม่ใช่เราโลภโกรธหลงมันจะอยู่ห่างความโลภความโกรธความหลงมันไม่ใช่เราแล้วดูไปดูไป ไม่ม right. ีอะไรเป็นเราสักอันเดียวเลยจิตก็เกิดดับทางทวารทั้งหกเกิดที่ตาก็ดับที่ตาเกิดที่หูก็ดับที่หูเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเกิดที่ไหนก็ดับที่นั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาถามว่าเราจะเอาจิตไปตั้งไว้ที่ไหนไม่ต้องตั้งจิตไว้ที่ไหนหรอกจิตเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นมันไปตั้งไว้ที่ไหนไม่ได้ถ้าจงใจเอาจิตไปตั้งไว้ที่ใดที่หนึ่งก็เป็นสมถะอีกทางที่ผิดน่ะเยอะเต็มไปหมดเลย ทางที่ถูกมินิทเดียวฉะนั้นเวลาท่านผู้ใดผู้หนึ่งบรรลุพระอรหันต์จะท้อใจในการจะสอนกว่าคนคนหนึ่งจะบรรลุขึ้นมาถึงขีดสุดได้นะเหมือนการพยายามต้อนช้างเข้ารูเข็มอย่างนั้นแหละโอ้มันสุดวิสัยมันยากแต่ว่ามันไม่เหลือวิสัยจริงๆ ร, งรงหรอกคนที่เขาทํามาได้นะก่อนจะทํามาได้เขาก็ล้มลุกคลุกคลานเหมือนพวกเราทุกคนนั่นแหละไม่มีใครดีใครวิเศษนักหรอกลองไปอ่านประวัติครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์ กว่าจะได้ก็ล้มลุกคลุกคลานมาแล้วทั้งนั้นแหละบางองค์ล้มลุกคลุกคลานจริงๆเช่นหลวงปู่เทศท่านตกเขาท่านเดินแทบไม่ได้ท่านต้องคลานอย่างนี้นี่เรียกล้มลุกคลุกคลานหน้าแข้งท่านกระแทกก้อนหินเป็นแผลลึกเลยเดินไม่ได้อยู่ในป่าด้วยเดินไม่ได้ทำอย่างไรก็ต้องพยายามเดินไม่เดินตายแน่นอนต้องอดตายอยู่กลางป่าเดินไปตั้งนานก็ไม่มีข้าวฉันตั้งเป็นวันๆหลายๆวันลาบากมาก ดูครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์กว่าท่านจะได้ดิบได้ดีขึ้นมาท่านล้มลุกคลุกคลานฉะนั้นพวกเราทำแล้วจะล้มเหลวบ้างอะไรบ้างก็อย่าท้อใจวันนี้แพ้ก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสู้วันหนึ่งจะได้ชนะถ้าแพ้แล้วขี้แพ้ยอมแพ้ไปเรื่อยว่าโอ้เราไม่มีวันหรอกเราไม่มีวาสนาหรอกไม่มีแน่นอนก็โง่นิโมแต่คิดว่าเราไม่มีวาสนาทาไม่ได้หรอกอย่าไปสนใจว่ามันจะทาได้เมื่อไหร่ มีหน้าที่ทำก็ทำไปมีหน้าที่มีสติรู้กายรู้ใจรู้มันลูกเดียวเลยมันจะได้เมื่อไหร่ก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราต้องใจถึงขนาดนี้นะ